เจล้ลนท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่เป็นพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้เป็นวันอังคารที่สามสิมิถุนายนพุทธศักราช 2,558 เป็นวันพระวันธรรมวัฒนาวันฟังธรรมเป็นวันเจริญปัญญาบารมีเพราะการฟังเทศฟังธรรมจะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาเป็นมงคลอย่างยิ่งดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า การเลนธรรมะสวนางเอตัมมังกะลุตตั ม, มังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งในสมัยโบราณท่านก็ให้ฟังเทศฟังธรรมกันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือในวันพระวันขึ้นแลมแปดค่ำขึ้นแรมสิบห้าค่ำ เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะหยุดภารกิจการงานต่างๆเพื่อที่จะได้เข้ามาวัดเพื่อมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาภาวนากันเพื่อเป็นการสร้างเครื่องมือที่จะเอาไปใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาภายในใจสมัยโบราณฟังเทศฟังธรรมต้องไปที่วัดไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้เรามีธรรมะมาถึงบ้านเพราะเรามีสื่อต่างๆหลายหลา ก, หล า, กหลายสื่อด้วยกันเช่นหนังสือธรรมะซีดีธรรมะวิดีโอธรรมะ เราสามารถที่จะรับรู้ธรรมะจากสื่อต่างๆเหล่านี้ได้เราไม่ต้องมาวัดก็ได้ถ้าเราอยากจะเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่สะดวกที่จะมาวัดเราก็ฟังธรรมที่บ้านก็ได้แต่สมัยโบราณสมัยก่อนไม่มีสื่อเวลาจะฟังธรรม จึงต้องไปวัดกันทางพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวันพระขึ้นมาวันธรรมัชยสวนะนี้เรียกว่าวันพระวันประเสริฐวันดีวันมงคลเพราอจะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้ และเป็นสิ่งที่หายากเป็นสิ่งที่นานๆจะปรากฏขึ้นมาให้สารโลกได้ยินได้ฟังกันสักครั้งหนึ่ง<ม>ผู้ใดได้มาเกิดมาพบกับพระธรรมคําสอนจึงเป็นเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะถูกกันได้ง่ายๆ ง, ยงวดหนึ่งนี้ถูกกันได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น หลายคนเป็นหลายสิบล้านคนอยากจะถูกกันแต่ก็ไม่ถูกกันเพราะมันไม่ใช่เป็นของง่ายชั้นใดการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาฟังเทศฟังธรรมก็เป็นของยากอย่างมากและประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังธรรมก็เป็นประโยชน์ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมอบให้ได้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังธรรมท่านก็สแสดงไว้มีอยู่หข้อด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. องธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอเราฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญาความรู้ความจราญกำจัดความลังเลสงสัยให้หมดไปได้ทำจิตใจให้ผ่องใสเบกิกบานมีเป็นมีความสุขนี่คืออนิสงส์ที่จะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมท่านจึงบอกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง มงคลก็คือความสุขความเจริญนี้งเองก mm hmm. ารทงธรรมเป็นประโยชน์อย่างนีและจะทำให้จิตใจของเราไม่วุ่นวาย mm hmm. ไม่เดือดร้อนไม่สับสน mm hmm. เพราะการังธรรมเป็นการสร้างปัญญา mm hmm. ปัญญาในทางพระพุทธศาสนานี้มีเอาไว้สำหรับดับความทุกข์ต่างๆ ไม่มีอะไรในโลกนี้แม้แต่ความรู้ปัญญาทางโลกก็ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้ต่อให้เรียนจบปริญญาตรีโทเอกก็ยังไม่สามารถที่จะเอาความรู้จากการได้เรียนปริญญาตรีโทเอกนี้มาดับความทุกข์ใจได้แต่ผู้ที่เรียนธรรมะ ได้ปัญญาของพระพุทธศาสนาจะดับความทุกข์ต่างๆได้แต่การจะดับความทุกข์ต่างๆโดยใช้ปัญญาก็ต้องทำความเข้าใจให้รู้จักว่ามีปัญญากี่ชนิดด้วยกันณชนิดไหนจึงจะสามารถดับความทุกข์ได้ปัญญาในพระพุทธศาสนานี้ มีสามชนิดด้วยกันหรือสามขั้นก็ได้ขั้นที่หนึ่งก็คือสุตะามายาปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าอย่างขณะขณะนี้ญาติโยมกำลังฟังรรมการฟังธรรมนี้เรียกว่าสุตะามายาปัญญาจะได้ปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรม เพราะเราจะได้ยินธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนั่นเองเหมือนกับเวลาที่เราไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเราจะได้เรียนสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนเช่นเราจะได้เรียนวิธีอ่านออกเขียนได้ <S <s <S ถ้าเราไม่ไปโรงเรียน <S <s <S เราก็จะไม่รู้จักวิธีอ่านออกเขียนได้ <S <s <s แต่การได้ยินได้ฟัง เพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถทำให้เราอ่านออกเขียนได้เราต้องนำเอาไปทบทวนเอาไปท่องเอาไปจำแล้วก็เอาไปหัดเขียนหัดอ่านเราถึงจะสามารถเขียนได้อ่านได้ฉันในปัญญาที่เราจะใช้ดับทุกข์ของพระพุทธศาสนานั้นเราต้องเอาไปพัฒนาต่อ หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังแนละ้วเราต้องเอาปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังนี้มาพัฒนาให้เป็นปัญญาระดับที่สองปัญญาระดับที่สองก็คือจินตามัยปัญญาคือการพิจารณาไถ่ควรธรรมะต่างๆเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเหมั่นพิจารณาอยู่เนืองว่าเราเกิดมาแล้ว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 เราต้องมาพิจาครณาค่ายควรอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมนั่นเองเหมือนกับเวลาที่เราหัดท่องสูตรคูณสมัยก่อนนี้เวลาคิดเลขเราไม่มีเครื่องคิดเลขเหมือนสมัยนี้สมัยนี้ไม่ต้องใช้สูตรคูณใช้นิ้วจิ้มเอาจิ้มตัวเลขแล้วก็จะได้คำตอบแต่สมัยก่อนนี้เราต้องใช้สูตรคูณ เราต้องท่องจำสูตรคูณเช่นสองคูณสองเป็นส2สองคูสามเป็น6 2สองคูสีเป็น8ท่องไปตั้งแต่สูตรที่สองถึงสูตรที่ส2สองสูตรที่12ก็คือส2องคูณหนึ่งได้ส2 12อง ส, สองคูสองได้2 4นี่เป็นสิ่งที่เราต้องมาท่องถ้าเราไม่ท่องเวลาเราจะบวก จะคูณเลขเราจะคูณไม่ได้เพราะเราจําไม่ได้ฉันใดธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังแล้วเราต้องเอามาพิจารณาต่อมาคิดอยู่เรื่อยเพื่อที่เราจะได้จดจําเอาไว้ภายในใจเพื่อที่จะได้ไม่หลงไม่เลยอย่างที่ท่านสอนให้เราพิจารณาความแก่ ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เราหลงนั่นเองไม่ให้เราลืมถ้าเราไม่พิจารณาเราจะลืมไปแล้วเราจะคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตาย <ừ. S 1> พอเวลาเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายก็ทุกข์ขึ้นมาทันที ทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเกิดมาทุกคนนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันและไม่จำเป็นจะต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายถ้ามีปัญญาคือความรู้ว่าร่างกายนี้ต้องต้องเป็นอย่างนี้และรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นร่างกายที่พ่อแม่ให้เรามา เราเป็นใจเรามาอาศัยร่างกายนี้อยู่เหมือนกับคนรถคนขับรถอาศัยรถยนต์คนขับรถนี้อาศัยรถยนต์ขับพาไปไหนมาไหนแต่คนขับรถไม่ได้เป็นรถยนต์รถยนต์นี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียก็ต้องพังไปแต่คนขับรถนี้ไม่ได้พังไปกับรถ แต่ถ้าคนขับรถหลงไปคิดว่าตนเองเป็นรถยนต์เวลารถยนต์เป็นอะไรก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่อยากให้เป็นนั้นเองแต่ถ้ารู้ว่าไม่ได้เป็นรถยนต์ไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์ก็จะไม่ทุกข์ันใดใจก็เป็นเหมือนกับคนขับร่างกายนี้เพียงแต่ว่าเราเราไม่เห็นใจเราไม่รู้ใจเราไม่รู้จักตัวเราเอง เรากลับไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราพอร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ตกใจกลัวขึ้นมาเพราะคิดว่าเราจะแก่จะเจ็บจะตายไปกับร่างกายแต่ความจริงเรานี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายกันนี่คือสิ่งที่เราต้องเอามาไข้ ค, ควรอยู่เรื่อย ีิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้ไม่หลงไม่เลวนี่ก็คือจินตาไมยปัญญาความรู้ที่เกิดจากกา ร, ค, รคิดคิดควรแต่ความรู้ที่รู้ขนาดนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้เวลาเราไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งมีโอกาสที่จะตายได้ภายในสมเดือน6กเดือน ทั้งๆ ท, ที่เรารู้ว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายแต่เราก็ยังจะทำใจไม่ได้เราก็ยังจะต้องทุกข์กับมันอยู่เพราะว่ามันยังไม่ใช่เป็นปัญญาที่จะมาดับความทุกข์ได้ปัญญาที่จะดับความทุกข์ได้นี้ต้องมีการภาวนามาเป็นเครื่องสนับสนุน ปัญญาขั้นที่สามนี้จึงมีชื่อว่าภาวนาไมยปัญญาคือต้องทำใจให้สงบต้องจเจริญสมถะภาวนาทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วพอพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนพอใจไม่ออกไปคิดปรุงแต่งใจไม่ออกไปอย่าง ให้เกิดความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมานั่นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องพัฒนาขึ้นไปปัญญาที่เราต้องพัฒนาต้องพัฒนาให้ไปถึงขั้นที่สามให้ได้ถ้าเราถึงขั้นที่สามแล้วเราจะไม่ทุกขกับร่างกายเลยร่างกายจะแกะ่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายใจเราจะเฉยแต่ตอนนี้ใจเราไม่เฉย เฉยไม่เป็นนั่นเองเราจึงต้องมาภาวนาเพื่อทำใจให้เฉยเวลาเราภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วใจเราจะเฉยจะไม่มีอารมณ์กับอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของใครก็ตามใจของเราจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกับร่างกาย นี่คือขั้นที่สาเราต้องพัฒนาขั้นที่หนึ่งเราต้องเรียนรู้ก่อนต้องฟังก่อนถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่ได้ยินได้ฟังเราก็จะไม่รู้เรื่องของเราไม่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่รู้ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ไม่รู้วิธีที่จะปล่อยวางร่างกายไม่รู้วิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์ไปกับ การแก่การเจ็บการตายของร่างกายแต่พอได้มาฟังเทศฟังธรรมในวันนี้เราก็จะรู้แล้ววิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็คือต้องไปพิจารณาอยู่เนืองๆคิดอยู่เรื่อยๆคิดได้ทั้งวันได้ยิ่งดีเพราะถ้าเราคิดแล้วเราจะไม่ยึดไม่ติดกับร่างกาย เราจะเตรียมตัวเตรียมใจปล่อยวางร่างกายด้วยการไปฝึกนั่งทำใจให้สงบอย่างวันนี้วันพระเราก็จะไปอยู่วัดกันไปหาที่สงบปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆปล่อยวางร่างกายไว้ชั่วคราวด้วยการมานั่งสมาธิกันทำใจให้สงบกัน วิธีทำใจให้สงบก็มีหลายวิธีจะสวดมนต์ไหว้พระไปก็ได้จะพุทธโธพุทธโธไปก็ได้แต่ก่อนที่จะทำใจให้สงบได้ก่อนที่จะมานั่งสมาธิต้องฝึกทำพุทธโธไปก่อนต้องฝึกท่องพุทธโธบริกรรมพุทธโธไปเรื่อยๆก่อนถ้าเรามาทำตอนที่เรานั่งจะไม่มีกำลังพอ จะไม่สามารถทำใจให้สงบได้แต่ถ้าเราสวดท่องพุโทโธไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาจะไปทำอะไรก็ตามให้ท่องพุโทโธพุธโทโธไปหรือจะสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้สวดอรหังสัมมาสวาขัขาโตสุปติปันโนสวดไปเรื่อยๆสวดไปทั้งวัน แล้วเวลาเรามานั่งสมาธิเราก็จะสามารถสวดหรือท่องพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องจะไม่มีความคิดมาดึงให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบได้ก็จะปล่อยวางได้พอเวลาร่างกายแก่ก็จะปล่อยวางได้ เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะปล่อยวางได้จะเฉยจะไม่เดือดรอ้อนเพราะรู้ว่ามันห้ามมันไม่ได้มันต้องเป็นอย่างดีแต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์กับมันได้และสิ่งที่จะห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์กับใจได้ก็คือความสงบนี้ความสงบนี้เป็นเหมือนเบรกที่จะเบรกใจ ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่เราอยากเพราะเราลืมคิดไปว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยากไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายได้ แต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าต้องแก่นะต้องเจ็บนะต้องตายนะห้ามมันไม่ได้นะแต่ห้ามใจเราได้นะถ้าตอนนี้ยังห้ามใจไม่ได้ก็มาหัดห้ามใจกันมาหัดนั่งสมาธิกันเนีย ว, วันพระพระเจ้าให้มาอยู่วัดให้มาถือศีลแปลเพื่อที่จะได้หักห้ามจิตใจ ไม่ให้ไปอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วก็ให้มาห้ามจิตใจไม่ให้ไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายด้วยการมราสวดมนต์ด้วยการมาบริกรรมพุโทโธเดินยืนนั่งนอนทำมันอย่างนี้ไปทั้งวันทั้งคืนแล้วต่อไปเราจะห้ามใจของเราได้พอเราห้ามใจได้แล้วเราจะสบาย ร่างกายแก่เราก็ห ER ้ามไม่ให้ทุกข์ได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ห้ามไม่ให้ทุกข์ได้ร่างกายจะตายเราก็ห้ามไม่ให้ทุกข์ได้ร่างกายของคนอื่นเราก็ห้ามได้เขาจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่เดือดร้อนเขาจะดีจะไม่ดีเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราทำใจได้นั่นเองที่เราเดือดร้อนที่เราทุกข์กัน เพราะว่าเราทาใจไม่ได้ไม่มีเบรกหักข้ามใจหยุดยัง้งย้ำยั้งใจไม่ให้สร้างความวุ่นวายใจให้กับตนเองนั่นเองนี่คือปัญญาขั้นที่สามปัญญาขั้นที่สามจะดับความทุกข์ทั้งหลายได้หมดแต่จะเป็นปัญญาขึ้นมาได้ต้องมีภาวนามีสมถภาวนามีความสงบ พอมีความสงบแล้วพอพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่ทุกข์กับมันเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็จะเฉยเฉยไม่เดือดร้อนอะไรแก่ก็แก่ไปตายก็ตายไปเจ็บก็เจ็บไปถ้ายังไม่แก่ก็ไม่เดือดร้อนถ้ายังไม่เจ็บก็ไม่เดือดร้อนถ้ายังไม่ตายก็ไม่เดือดร้อนอยู่กับมันไป แต่ถ้าเราหักห้ามใจไม่ได้บางทียังไม่ทันเจ็บเลยเพียงแต่คิดว่าจะต้องเจ็บไขยได้ป่วยเท่านี้ก็ทุกข์ใจขึ้นมาแล้วพอคิดว่าจะต้องตายขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วเพราะเราไม่มีภาวนามายับยั้งมาหยุดความมาหยุดความทุกข์ของใจนั่นเองเราจึงต้องมาวาดกันมาปฏิบัติธรรมกันมานั่งสมาธิกัน เพื่อทำใจให้สงบเพื่อจำใจให้ปล่อยวางให้ได้ถ้าเราปล่อยวางได้แล้วต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์อยู่ภาจารย์และเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาวัดในวันพระวันธรรมัสวรนระจะได้ฟังเทศฟังธรรมจะได้เกิดปัญญา จะได้ปฏิบัติธรรมและจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในวันพระนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพิจารณาและปฏิบัติไปเจริญปัญญาทั้งสามปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังปัญญาที่เกิดจากการเอาม า, าค่อคุ้นมาพิจารณาอยู่เนือง นะปัญญาที่ได้รับจากการทำใจให้สงบพอทำใจให้สงบปัญญาที่เราไขควรก็จะเป็นภาวนาปัญญาไมย์ปัญญาขึ้นมาก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณทศีททรัตนไตรัยแลกบุญกุศลที่ท่านได้มาบงเพ็ญกานวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วค้าปลอดไปจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ